มันเป็นไปได้ยังไงเขาก็เห็นแนวบวเห็นแนวนะแต่มักฟังพุ่นที่บวชเนนีะ่มักฟังพุ่นจนกระทั่งมาปีสองเจ็ดสองแปดสองแปดขึ้นไปหาหลวงพ่อข้าเขียนบวชเนนะี่หลวงพ่อข้เขียนก็ อ, อธิบายขยายความให้ฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นเลยปีสองเก้าเลยกับมาเก็บอารมณ์กระเพิรนมาเนี่เก็บอารมณ์สามเดือนกับหลวงพ่อเทีย น, ยนจนว่ามีมือหนึ่งนะเก็บอารมณ์เลยสักเจ็ดมือนี่แ่ะมัน วมันเอ้านัาาน่งปฏิบัติเฮ้าเอา่อปฏิบัติหกมื่นตลอดมาเนี่ยมีแต่จะออกไปข้างนอกชีดของเขาเนี่ยฟุ่มออกไปข้างนอกอตอนแรกครับผมพิระตรูนาตังหลเพพ่อเทียนพ่อปุณกอะไรพิดจิตรูนาต่างมอ้งเอาไปเอามาแล้วเฮากับบุญนีทั้งออกแล้วมเนี้เลยมานั่งเห็ดเป็นจังหวะเ ป, เป็นทาเป็นทาเป็นทาพับเพียบขว้าพับเพียบใส่นั่งกูเขานั่งทับสนนั่งสันเข่า ข้างคดมาดหนึ่งสองสามนั่งเหยียดขานั่งก็อิสระไปสนุมาเนี่ข้างเลยสองชั่วโมงสองชั่วโมงจะเศ้าฮอตแรงเงี่ยมือคืนมาปรากฏว่าเฮานอนแล้วเขากำลุดลมหายใจพอกำลนดลมหายใจปั๊บสมาธิดีเขาเห็นมานมืดเหมือมันมันแข็งมันวละล่ะพอกำลน้นลมหายใจปั๊บยิ้มเขาไหลเข้าไปกำลุ้ลมหายใจหายไปเลยตัวแข็งวะเนี่ยติงบะไรเลยตัวแข็งเอ๊เป็นที่นี้มัน เพอหายใจแห้งเพราะปวดเฮ้ยใจมันติ่งได่คนเนี่ยเอา้ามันเกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกแล้วแปลกใจเอา้ามึงหันมันนอนเห็ดมันตัวแข็งเอาตอนนี้นั่งเห็ดแล้วมึงดูพอนั่งเห็ดแล้วมันกำลังลดลมหายใจไหมดิิววดิวปุ๊บก็ไปตัวแข็งเธออีกคนนีง ย, ยืนก็เป็นนั่งก็เป็นนอนก็เป็นเห็ดอยู่มดขึ้นมาเนี้ยสดแจง้งดีใจมหาหลวงพ่อว่าเจ้าเจ้าของเข้าใจทรรมหาลวงพ่อ เราให้คนฟังอ๋อเจ้าเนี่ยไปหลงสะกดจิตของเจ้าของ<ม>แต่อาจารย์อื่นเพื่นว่าเข้าชา้านี่สัตว์หนึ่งสี่หลวงพอบโมเนดอกจังสีส่หลวงพอ่ อ, มเม อ, งงพอเคยเห็นมาก่อนแล้วว่ะ<อ>นั่นคือการสะกดจิตเจ้าของมันเป็นสมถะสิสิเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าเหตุอีกต่อไปเด้อถ้าเจ้าเหตุต่อไปร่างกายเจ้าจะพิดปกติจิตเจ้าจะอ่อนให้เลิกะนะอนนั้นเป็นสมถะไปเหตุไปนีจิตเบาเ ข, ข้มแข็งเมื่อจิตเบาเข้มแข็งแล้วเวลา มีอารมณ์เลยมากระทบใเจ้าเจนลบไปอยู่กับความสงบเจ้าจะบสูวอารมณ์เมื่อบุสูอารมณ์แล้วปันนี้มัก็บ e ่เกิด <También S 1> ันนี้มันเกิดตอนไตอนที่